หรือในแง่ที่ว่าเป็นการสร้างความมั่นใจทาให้ผู้เคยเกี่ยวข้องหมดความคลางแคลงในพระองค์ตัดปัญหาในการที่ท่านเหล่านี้อาจไปสร้างความคลางแคลงใจขึ้นแก่ผู้อื่นต่อไปด้วยครั้นเสร็จสั่งสอนเบญจวคีแล้วก็ได้โปรดยสากุมารพร้อมทั้งเศรษฐีผู้บิดาและญาติมิตรและเมื่อจะเสด็จเข้าแคว้นมคต